เกบยรักศั่วทำดีท้ใจเป็ใสชียิติทจ่ได้าร้อยแปดสิส น, สสด น, นี้ก็เป็นนักเรียนเรียนบ้านฝันในฝันวิทยา แต่ด้วยจากรว่าพระรมการเมื่อปลายปี2539ในการกชักชวญของพี่ที่ทํางานด้วยกันหล า, ากนั้นเราก็ทาบุญบ้างตามแต่เพื่อนๆชวนทำจนกระทั่งไ่้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทําให้ลูกกระจายความจริงของชีวิตที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเลยด้วยเหตุนี้ลูกจึงของความเมตตาครูมิทยายฝันในฝั น, นเรื่องราวของลูกเพื่อเป็นนามธรรมให้กับตัวลูกและคนอื่นๆด้วยค่ะลูกขอเริ่มเรื่องเลยนะคะ คุณแม่เล่า ว, ว่าก่อนตั้งครรภ์ตัวลูกท่านฝันเห็นวัวแดงตัวใหญ่พดุดธคือมาจากพื้นดินท่านตกใจกลัวมากจึงเบือนหน้าหนีไปทางอื่นแต่พอหันกลับมามอยทีวัวแดงตัวใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆมาอ้อนวอนขออยู่ด้วยหากใครอยู่ด้วยจะช่วยครอบครัวจะเลี้ยงดูแม่จนแก่ตายจะนำโชคมาให้พร้อมกับบอกตัวเลข บอกว่าห้าห้าแล้วกฏว่างวดนั้นคุณแม่ถูกหวยเพราะมันออกหห้าหตอนที่ลูกคลอดมาใหม่นะเนี่ยอาจจะร้องร้องไห้ร้องไห้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมดื่มนะไม่ยอมดื่มนมตัวก็เล็กๆดำดำแห้งๆ <laughs> จน็คายคิดว่าไม่รอดแน่จึงไปเชิผู้ใหญ่จะก ร, ะรบนับถือมาทำวิธีขึ้นคายยกขันห้า ลูกคิดว่าคงมีดอกไม้ทูบเสียนอย่างละห้าคู่ขึ้นคายคงจะเป็นค่า ย, ยกคูในขะนั้นคุณแม่แต่อเอาน้าแล้วนำพึ่งปา่าคอเช็ดปากผมมาให้ลูกปากแห้งแล้วอยู่ๆเสียงร้องก็เงียบไปแล้วก็ทำปากจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บแทนหลังจากนั้นน้ำยอดปากแล้วก็ให้ดื่มนมจะลงตายไหมไมไ่ในเวลาต่อมาลูกจะมีชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ ตอลูกเด็กๆที่บ้านมีไก่ที่เลี้ยงเอาไว้มากบางครั้งก็มีโูกไก่เป็นโรคพุงป่อง <c oughs> โอ้ก็ใจายสังเกตจังเลยแต่ความปรารถนาดีของลูกอยากจะเป็นสัตวแพทย์ช่วยเหลือไก่ <c oughs> จึงเอาเข็มไปแทงที่ท้องของมันเพื่อให้ล้มออกป <c oughs> รากฏว่าวันรุ่งขึ้น ไก่ตัวนั้นก็ตายลูกก็มาพินิจพิจารณาในฐานะว่าที่สัตวแพทย์ไก่เพราะที่ไก่ตายเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราไก่มันตายเองมันคงจะเป็นเพราะเข็มสปกปรกอะต่อมาลูกก็เปลี่ยนวิธีใหม่เอาเข็มไปเผาไฟเช็ดด้วยแอลกอฮอล์อย่างดีแล้วก็ ไปดูไก่ไอ้ที่ท้องป่องก็จับไก่ตัวนั้นมาแล้วก็แทงที่ก้นถูกต้องอย่างสงสัยเคยเป็นหมอไก่แทงที่ก้นลูกไก่ลูกไก่ก็ตายเลยหมดอารมณ์เป็นหมอเมื่อลูกจบจากการศึกษาจากวิทยลาลัยครูแห่งหนึ่งลูกจึงตัดสินใจเข้ามาหางานทำในกรุงเทพ โดยาสายกับคุณนะ้าจึงเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่คุณน้าก็ฝากงานเป็นเลข า, านุการของบริษัทของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ ง, งชีวิตลูกก็เปลี่ยนไปจากชีวิตเด็กบ้านนอกต่างติดตา ก, กับคนมากมายซึ่งล้วนแตเป็นบุคคลที่มีฐานะดีทั้งนั้นและคราวนั้นก็มักจะอ า, าสารับส่งตัวลูกถึงบ้านทุกวันเลย อ, อืแต่ทั้งหมดอยู่ในสายตาของคุณนะ้าที่เห็นทั้งหญิงและชายรับส่งกันบ่อย ก็เลยเป็นห่วงจึงหางานใหม่ให้ทำคือให้เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์วางยาสลบ oh. อ๋อหัดเป็นหมอหนุ่มเป็นแต่หมอไก่ตอนนี้มาหมอคนละที่นี้เพื่อนร่วมงานก็ดีนะอาจารย์หมอท่านกับเมตตาแต่ลูกทำไม่ได้อริยะหนึ่งก็ได้ย้ายมาทำงานที่คลีนในเค่ยงหนึ่งแต่รับเงินเดือนมากกว่าเดิมสี่เท่า วันแรกการทางานลูกเจอภาพที่จะเทือนใจมากคือเห็นหมอกําลังทําแทงเด็กด้วยการดึงเด็กทารกออกมาจากตัวคนไข้ซึ่งกําลังสลบอยู่ลูกตกใจมากจึงพูดกับหมอว่าคุณหมอครหนูไม่ทํานะครับแต่ด้วยความห่วงยาคนไข้ลูกจึงเข้าไปช่วยดูแลการหายใจของคนไข้ทุกเย็นมันสุกคุณหมอมักจะชว น, นเพื่อนๆมาดื่มสังสรรค์ที่ร้านเป็นประจำํำลูกทําหน้าที่เสิร์ฟเต้าแข็งเสิร์ฟเหล้าแล้วก็ไปซื้อกับแกล้ามมาให้เพราะฉะนั้นลูกคิดว่า การดื่มโซดาเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปมนุษย์ที่ไปที่ไม่รู้เรื่องราวเรื่องกฎแห่งกรรมแหละและ้วรก็รู้จักกับสามีของลูกซึ่งเป็นญาติกับแพทย์ท่านนั้นเพิ่งจะเรียนจบวิศวะมาเขาเป็นคนดีมีน้ำใจกับคุณแม่และญาติๆของลูกคุณแม่ก็ชอบเขามากโลกจึงคิดว่าคนนี้แหละใช่เลยพอเขาเอ่ยปากขอแต่งงานลูกก็โอเคอเคราแต่งงานกันมาได้หกปี ลูกก็ตั้งคันก่อนตั้งคันลูกคนนี้คืนหนึ่งลูกฝันว่ามีครนำพระสมเด็จมาให้ในฝันนั้นลูกไม่อยากได้เพราะมีอยู่แล้วจึงคว้างพระทิ้งลงในน้ําค้งแต่มีใบบัวมรองรับไว้ลูกจึงให้น้องสาวว่ายน้ําไปเก็บพระองค์นั้นมาให้วันรุกงขึ้นกับฝันเหมือนเดิมอีกระหว่างตั้งคันเพื่อนก็นได้พาไปกราบร่างหลวงปู่วัดปากน้ําที่วัดปากน้ําบาสศรีเจริญ แล้วตอนนั้นชอบนั่งสมาธิสวดมนต์มากเละยิ่งท้องแก น, นอนไม่สะดวกก็จะยิ่งนั่งสมาธิมากขึ้นหลังจะคลอดลูกน้อยออกมาพะทราบจากหมอว่าเด็กเป็นผู้หญิงปกติดีลูกก็หลับไปตื่นมาตอนตีสี่ลูก้มาอาบน้า <c oughs> แต่งตัวแล้วก็รีบไปหาลูกที่ห้องเด็กอ่อนเมื่อไปเห็นยิงรู้ว่าเด็กผิดปกติ ผิดปกติวาหลายลองสันนิษฐานดิจ้ะปอดข้างเดียวตัวเขียวไม่มีประตูไม่มีรูทวารไม่มีประตูไม่มีรูทวารเออมื่อมาทราบว่ า, าลูกรู้เรื่องแล้วก็สั่งให้รั้งตัวลูกไว้ก่อนและส่งลูกน้นไปรักษาอีกโงรงพยาบาลหนึ่งตมาสามีซึงเป็นคนไม่คอยดูแลลูกจะเพลงคดเด็กลับมาเล่าข่าวกัเด็กให้ลูกฟังทั้งน้ำตาว่า ต่วันคุณหมอตรวจพบความผิดปกติของเด็กเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคือนอกจากไม่มีโรธวานแล้วลำไส้ใหญ่ของเด็กยังสั้นมากหัวใจเต้นไม่เป็นปกติพระเจ้เลือดก็เพราะว่าเม็ดเลือดมีปัญหาเป็นลูคีเมียเป็นเด็กดาวซินโดรมที่สำคัญเด็กมีสองเพศในคนเดียวกันคือมีทั้งอวัยวะเพศหญิงและเพศชายผู้ายตีเลยอุปโตพ ย, ยัญชนะนก <c oughs> นี่ สองเพศในร่างกายคนเดียวกันคุณหมอเจาะหน้าท้องเด็กเพื่อเป็นที่ขับถ่ายของเสียโอ้ข้างหน้ามนุษย์นะ<อ>เด็กถูกเจาะเส้นเลือดไพให้ ย, ยาให้น้ำเกลือจนพลุล่ไปทั้งตัวไข้ก็ขึ้นสูงมีอาการต้องเสียอาเจียนผิวหนังมีพืนขึ้นเต็มตัว<อ>ก็เริ่มเป่วยลูกเองหมดหวังได้แต่ทำใจว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแปลว่าเราไม่อาจที่จะเลือกเด็กมาเกิดได้เลยนะ นี่เป็นความประสงค์ของพ่อแม่หรือเปล่าที่อยากให้มีลูกอย่างนี้ถ้าเป็นความประสงค์ของใครที่ให้มีลูกหนึ่งเงี้ยไมมีอโรธวานลํำไส้เด็กสั้นหัวใจเต้นไม่ปกติเป็นลูคีเมียเป็นด า, ดาวซินโดมมีสองเพศอุปโตโปยันยนกในคนคนเดียวกันเป็นความประสงค์งพ่อแม่หรือเปล่าไม่ใช่ประสงค์งใครก็ไม่รู้ เป็นความประสงค์ของใครไม่รู้ถ้าประสงค์ก็ต้องประสองค์รายเนี่ยมาแข็งแรงขึ้นกรับกลับมาเลี้ยงเองที่บ้านครั้งแรกที่ได้เห็นลูกเต็มตาถึงลูกจะเป็นยังไงเนี่ยก็รู้สึกรักขึ้นมาจับใจเพราะเปนลูกของเราจรึงพูดว่าหนูอยู่กับแม่นานๆ น, น, นะจ๊ะให้แม่ได้ทําหน้าที่ของความเป็นแม่สักปีหนึ่งก็ยังดี oh. นี่ดูหัวใจของแม่หลังจากนั้นลูกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะแม่ตอนนี้ลูกจะเป็นอย่างนี้ แต่แม่ก็ยังรักหนูเนี่ยจะดูแลหนูเป็นอย่างดีให้หนูอยู่กับแม่อย่างน้อยก็สักปีหนึ่งจากนั้นลูกก็ดูแลลูกน้อยด้วยความรรมัดระวังเป็นพิเศษเพราะไม่รู้จะมีสองเพศนี่เราจะเลือกให้เป็นเพศไหนนี่ระว่างนี่ก็ช่างใหญ่เพราะลูกสายุบได้ประมาณเกือบสองขวบตอนนี้ลำไส้ใหญ่ต่อกับรูทวารที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้ว คุณหมอจึงเชิญแพทย์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตัวลูกและสามีมาหารือกันประชุมกันเลยมาปรึกกันมาเราจะเลือกให้เด็กคนนี้เป็นเพศหญิงและชายอ oh. อื ม, อมให้เลือกมันก็เป็นเรื่องแปลกนะลูกยิงตัดสินใจเลือกให้เป็นหญิงเพราะมีลักษณะเด่นทางกายภาพเป็นเพศหญิงแล้วตั้งใจจะเลี้ยงดูลูกคนนี้อย่างดีที่สุดตอนนี้ลูกสามีอายุสิบเจปีแล้วค่ะ เป็นเด็กที่น่ารักสมใจลูกจริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยยิ้มง่ายไม่งองแงเวลาอยากจะได้อะไรเนื่องจากพูดคำยาวๆไม่ได้จะใช้ภาษากายเป็นสื่อโดยเขาไปแตะแขนคนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆ <นะ S 1> เบาๆแล้วก็ยิ้มให้เธอเป็นเด็กดีๆ<อ>นี่ทุกครั้งที่เห็นพ่ อ, อเขาดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ก็จะไปไม่ว่าพ่อโดยตรง แต่จะอ้างคนที่หน้าเชื่อถือดูสิเธอเป็นเด็กดาวอย่างไรเนี่ยคุณพ่อขาน้าบอกว่ากินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดีนี่เธอเป็นเด็กดาวอย่างไรเนี่ยเด็กดีตั้งหากนี่พอพ่อย้อนถามว่าแล้วมันไม่ดีอย่างไรนี่ดูสิว่าเธอเป็นเด็กดาวหรือเด็กดีแกก็จะตอบว่ามันเป็นอบายามุกอ๋อพ่อทดสอบภูมิปัญญาตอไปอีก พอนึกว่าเอชักทึ่งและอบายยามกุกนั้นมันเป็นอย่างไรอพ่อชวนคุยเขาก็ตอบว่าถ้าใครใจหมองต้องไปอบาย อ, อพ่อก็ชวนคุยต่อและอบายแล้วมันเป็นอย่างไรลูกสาก็ตอบอมันเป็นผีแต่มันมืดมันมืดมากเลยเนี่ยเส้นได้เพลงมันยาวไปนิดนึง ลู ก, กพาลูกสาวมาวัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาจะรู้ว่าเวลาไหนนั่งคุกเขา่าเวลาไหนจะต้องนั่งประเพียบนี่เด็กดาวนะ่ะยังคิดออกเลยแล้วไม่ชอบให้แม่พูดเสียงดังเมื่อได้ดู DMC บ่อยขึ้นลูกสาวก็มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ DMC ช่องนี้ช่องเดียวดเด็ก d m เอมนี่เลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กดีทั่วโลกมาแล้ว เพราะนั้นในใครมีส่วนในการได้สถาปนาดีเอีนัได้อานิสงส์มากเลยส<า>มีบุลมากในยุคแรกที่สร้างดีเอ็มซนอดรับบนนอนกันนะยี่สิบสนอนไม่ได้รับไม่ได้นองกันเลยนออ<า>ืนึกแล้วก็ยังชื่นใจยังชื่นชมลูกๆูกทุกคนที่ทุ่มเทชีวิตที่ใจเก<า>ี่ยวกับการสร้างดีเอ็มนี้ขึ้นมาพระตามลาบากครูไม่ใหญ่ทําตาม ล, าลํมาพังไม่ได้ต้องอาศัยลูกๆทั้งหลายช่วยกัน ช่วยกันอย่างไม่ไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวตายอะไรกันเลยก็ร่างสร้างตัวกันมาเนี่ยตั้งแต่เราฟังกันด้วยทางโทรศัพท์ไม่จ๊ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ยุคบุกเบิกนี่มันเป็นประวัติศาสตร์โลกนะแล้วบุคคลยุคที่สร้างดินสีขึ้นมาก็เป็นบุคคลสําคัญของโลกเป็นบุคคลสำคัญของลบางทีตัวเองก็คงนึกไม่ออกเราก็ทําทํางานกันไปก็ธรรมดาเนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา คิดให้ดีในลูกน้าให้ธรรมดาเน<ม>่ยพู้ติดสถาบนาดีมศี์นี่ไม่ธรรมดาในยุครั้แร ก, แรกนี่กว่าจะมาถึงวันนี้เพราะทําให้แสงสว่างของธรมมรมะพุมธศาสนาแพร่กระจายไปทั่วโลกนี่บุญมหาศาลเลยมีส่วนในการให้ธรรมทานเธอเป็นเด็กดีขึ้นเรื่อยๆื่หลังจากเป็นนักเรียนด<ม>ีมซีเช่นสดมรธรรมวัชเช้าเย็นได้จําคําพูดสัสญไซของหลวงพ่อไปบอกคนอรอบข้างด้วยคําใส่ เช่นทำดีไม่ได้ดีจริงหรืออการนอนก็ชอบให้แม่เปิดธรรมะให้ฟังนี่เธอเป็นเด็กดาวจริงเหรอเนี่ยเด็กดาวธรรมดาวธรรมเาใช่แต่ไม่ใช่ดาวซินโดรมลูกก็เลยเปิดดีมสีเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืนเวลามาวัดลูกสาวเดินเป็นนั่งที่ศูนย์กลางพิธีเองเด็กดาวธรรมเป็นอย่างงี้ จะนั่งสมาธินิ่งๆไม่ส่งเสียงรบกวนใครนี่คือเด็กดาวธรรมและมักจะพูดว่าเห็นองพระใสๆอยู่ท้องนี่คือเด็กดาวธรรมนี่ไงแม้เวลานอนขาก็ยังอยู่ในท่าขัสมาธินี่คือเด็กดาวธรรมซึ่งเป็นมาตั้งแต่แบเบาะแล้วพอโตขึ้นยิ่งหนักก็อีกตอนนี้ลูกสาวลูกนี่มาเป็นเจ้านาทีอาสาสมัครช่วยงานวัดนี่แหละเด็กดาวธรรม แล้จะอยู่รับบุญจนกว่าจะเก็บงานเสียทุกครั้งนี่คือเด็กดาวทำนอกจากนี้ยังเก็บเงนบินใส่กระปุกกองศิลปเพื่อเอาเงินมาทําบุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะนี่คือเด็กดาวทำเอ๊ะจริงๆน่าจะภูมิใจนะ <c oughs> มันมากกว่าเดิมอีกหนึ่งเรื <c oughs> ่เอเอ๊ะเป็นเด็กน่ารักมากเนะ <c oughs> ฟังแล้วชื่นใจนะ <c oughs> เออคุณว่างลูกรับราชการตํารวจ เป็นคนมีวินัยซื่อสัตย์ขยันอดทนไม่พูดมากมีมนุษยสัมพันธ์ดีทุกช้างพ่อจะตือมันนึ่งข้าวเหนียวให้แม่และลูกไว้ใส่บาตทุกวันแม่ครอบครัวจะลำบากแต่คุณพ่อกับแม่ก็รักกันดีเวลาเจ้าอโรแมนติกมากเลยคุณพ่อจะขี่จักรยานไปทํางานเที่ยงวันก็จะขี่จักรยานกลับมาทานข้าวที่บ้านทุกวันเพราะทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่บ้านแล้วก็ต้องทางกนกระดาดิ้งด้วยออื ทานไปแต่ละคำก็พูดไปว่าอร่อยทุกคำเลยอร่อยกระทั่งช้อนโอ้อะไรจะขนาดนั้นแต่บ้านปลาชีวิตคุณพ่อเป็นลมโลกโรคลมชักและโรคสมองฟอกพอตอนที่ลูกไปคลอดลูกเือโรงพยาบาลคุณพ่อคุณแม่ก็ไปรอดูหลานด้วยแต่พอมาทราบว่าหลานไม่ปกติคุณพ่อกลับมาก็เกิดอาการเป็น ลมชักขึ้นมาต้องไปส่งไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่ง oh. อยู่ห้องฉันเห็นเธอไอซเป็นเดือนแล้วคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อที่บ้านไม่นานคุณพ่อประสิทิชีวิตได้วหกสิปีคำ oh. ถามพชาติทีแล้ว <Yeah. S 1> ของลูกเป็นอย่างไรโอ้ oh. oh. ก่อนเกิดตัวลูกมาจากไหนเขาบอกคนมาจาก หรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เกี่ยวข้องกับวัวแดงตัวใหญ่ที่คุณแม่ฝันหรือไม่อ่าคือทฤษฎีนั้นบอกคนมาจากกลิง้ง <c oughs> แต่นี่มาจากวัวแดงไหมนี่ไอ้ที่ต้องต้องอ้างทฤษฎีนั้นเพราะมีทฤษฎีไหมเ <c oughs> นี่ยวัวแดงปิบากำไดทําให้เมื่อตัวลูกคลอดมาใหมยๆเอาแต่รอ้องไห้อไม่ยอมดื่มนะ้าบอมพินบทบะตั้งแต่กเกิดไม่ยอมดื่มนน ทำนี่เขาเรียกอะไรบอมเป็นทุกขกรกริยาตัวก็เล็กๆดำๆแห้งๆ แ, แต่ทำไมจึงรอดมาได้ด้ยวยการทำวิธีขึ้นคายยกขันห้าโอ้จะขันห้าหรือห้าขันเนี่ยทำไมรับประทานก็ตายสถานเดียวทำไมลูกต้องมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กจนโตต้องเปลี่ยนงานหลายครั้งหลายหนและงานที่ทำต้องพบกับผู้คนหลายประเภทที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มาก จเจอทั้งหมอหนวดผู้หญิง้าบริการกระเทยตุด๊ดนักเลงเจ้าพ่อคนติดสุราและบุญใดทาให้ลูกสามารถประคับประคองตัวเองมาได้เจ้าคะลูกสางลูกก่อนเกิดมาจากที่ไหนบิดา ก, กรรมใดทาให้ตอนเกิดมาไม่มีรทวานา น, นี้น่าศึกษาเป็นเพราะกรรมของลูกจะเคยเอาเข็มแทงก้นลูกไก่หรือเปล่า <c oughs> อิจกรรมใดทาให้ลาไส้ใหญ่สั้นมากนี่เป็นความประสงค์ของใครเนี่หรือเปล่า แล้บททดสอบทดลองหัวใจเต้นไม่เป็นปกติเป็นลูอดคีเมียเป็นเด็กดาวซินเดอรมพบชาติต่อไปจะเป็นอย่างนี้อีกหรือไม่และจะแก้ไขได้อย่างไรบนได้ช่วยลูกสามีอายุยืนมาถึงทุกวันนี้สิบเจ็ดปีวิบากกรรมอะไรที่ทําให้ลูกสามลูกมีสองเพศในคนเดียวกันเกิดมามีสองเพศจริงๆแล้วตกลงจะเป็นหญิงหรือชายแล้วเราจะมีวิบากกรรมหรือไม่ที่ไปเลือกเพศนี้ให้ลูกคือเพศหญิงให้ เออก็น่าคิดเมืออกันนะน่าคิดเมืงง่อกันเออเราทำไมเลือกเพศ น, นี้โดยบุญรารามทาให้ลูกสาวชอบมาวัดชอบพูดแต่คำที่ใสใสพูดแต่คำที่ดีๆเขาก็ใจสิ่งเด็กก็พูดออกมาใหมค่ค่ะที่ลูกสาวผู้เร า, ามีองค์พ ร, ะ, ระในทองนั้นแกเห็นจริงหรือไม่พ่อแม่ยังเลยแม่เกิดก่อนต้องเห็นก่อนแต่ลูกก่ทีหลังทำไมบอกมีนี่ เกิดว่าไม่มีรูตบาลแต่ว่ามีองค์พระเอาเราสิในการทําบุญแต่ละครั้งลูกสาวรับรู้ได้ทั้งหมดไหมแล้วแกจะได้บุญมากน้อยอย่างไรเออตัวโลกสามีลูกสาวเคยทํากรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงประสบเหตุการณ์ที่นี้คะต้องมาเจอลูกอย่างนี้ลูกควรทําบุญอะไรเป็นพิเศษเ ป, เป็นการตัดรอนวิบากกรรมที่มีอยู่ให้หมดไปโดยแล้วการเล่าเรื่องในครั้งนี้จะมีอา น, นิสงส์ต่อโูกและลูกสาวบ้างหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ วิบากกรรมใดทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคลมชักและก่อนเสียชีวิตเป็นโรคสมองฟอตายแล้วท่านไปไหนได้รับบุญที่ลูกทำให้หรือไม่ท่านมีอะไรฝากมาถึงลูกบ้างไหมคะลูกเคยสร้างและมีกระหมูคณะมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงมาเจอหมู่คณะชานักและลูกจะทำอย่างไรสามีถึ้งจะเลิกดื่มเหล้าซูบุรีและวก็มาวัดกับลูกคะพระอาจารย์ที่ลูกรู้จักและเป็นกระหมิตรให้ลูกการเกิดท่านมาจากไหน ไปสร้างบารมีกับมุกคณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองนับธรรมและมีผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรผ่านการบวชตลอดชีวิตท่านหนาแน่นหรือไม่ท่านคิดว่าท่านมีข้อบกพร่องจะทําให้เกิดเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อจะได้สร้างบารมีกับหลวงพ่อได้อย่างเบิกบานอาหารรพ์าเริงและมีแนวคิดอย่างไรที่จะสามารถประคับประคองชีวิตในเพศสมณะไปได้ตลอดหลอดฝังก็ไม่ศึกสัก็หมดเรื่องก็แค่นั้นแหละ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันมันตมิตาเติ่นขึ้นมาเ่หาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยายปารามปรกากนจาตัวลูกคลอดมาใหม่ใหม่เอาจร้องไห้ไม่ยอมดื่มน้ำนมตัวกระเล็ดดำดำแห้งๆเพราะกรรมแนอดีชาติหนึ่งในวัยเด็กที่บ้านเพื่อนมีสุนัขเพิ่งคลอดลูกออกมา ก็ได้ไปขอเพื่อนนำเอามาเลี้ยงโดยได้ไปเอาลูกมันมาแต่แต่มยังไม่อดนมเลยแต่มันไม่ยอมกินนมไม่ยอมกินน้ำจนมันเฉาอ่ะจึงต้องนำเอาไปคืนให้แม่มาเลี้ยงวิบากกรรมนี่มาส่งผลจชะไม่น่าเลยไม่น่าเห็นไหมวิบากกรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมน้ำมั น, ม, นมันดูเลยก็ซาบแน่แคน เอามาอามาก็าตั้งใจมาเลี้ยงนะแต่มาแล้วมันไม่ไ ม, ไม่ยามกินต้อาไปคืนยังมีปัญหาที่รอดมาได้เพราะไม่ได้ทํามันตายไม่เกี่ยวกับการนําพิธีขายขันห้า ย, ยกครูตามความเชื่อแบบพื้นบ้านจ้ะกามาเกิดก็มาจากที่สว่างไม่เกี่ยวกับเรื่องวัวแดงที่แม่ฝันจ้ะส่วนที่แม่ฝันนั่นก็เป็นแค่ บ, บพุพ น, นิมิตว่าจะมีลูกมาเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นวัวแดงมาเกิดเป็นตัวลูกจ้ะ ต่รูชีวิตลำบากตั้งแต่เล็กๆจนโตต้องเปลี่ยนงานหลายครั้งหลายหนและงานที่ทาำไปตา้พบคนหลายประเภททั้งดีและไม่ดีเช่นหมอนวดผู้หญิงขายบริการกระเทยตุ๊ดนักเลงเจ้าพ่อคนติดสุราเพราะสร้างบุญในอดีตมาไม่สม่ำเสมอลมาเคยคิดว่าคนเราจะรวยได้ต้องหนึ่งสองหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงไม่ค่อยได้ทําบุญเท่าไหร่เพราะเหตุนี้แหละจึงต้องเปลี่ยนงานหลายหนแล้วก็มีชีวิตลาบากตั้งแต่เล็กจนโต ส่การทำงาแล้วเจอคนหลากหลายก็เพราะเวลาทำบุญนในอดีตก็มักไม่ค่อยได้อธิษฐานที่เจอแต่คนดีๆดออังนั้นใ น, นปัจจุบันจึงทาให้เจอคนหลากหลายประเภทต่างๆคือไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไวนะ้แต่กระบุนก็ส่งผลให้ได้มีงานทำนั่นเป็นการที่โลนในชีวิตปัจจุ บ, บันเพราะทําบุญไม่สม่มําเสมอจึงทําให้เจอคนหลากหลายในที่ทํางานในแต่ละแห่งเพื่อความอยู่รอดะบุญที่เคยสร้างกระหม่อมมาจึงทําให้ประคับประคองตัวเองมาได้โดยลอดปลอดภัยจ้ะ ลูกสาวก็มาเกิดก็มาจากที่ดีแต่มีวิบากกรรมตัดอรันช่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันเห็นไหมมีทั้งบุญแ้ะบาปในตัวไม่มีโรุทวารลำไส้ใหญ่สั้นมากหัวใจเต้นไปเป็นปกติพิลูกิเมียเป็นเด็กดาวซินโดมหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างหมีอุปโตพจัญนชนกมีสองเพศพระ อไม่มีรู้ทวานนะจำแนอดีชาหนึ่งที่บ้านเนี่ยมีคนหนูเยอะมากหนูที่มันร้องจิชิๆิชนืหนูอ่ะเยอะมากก็ได้มีคนแนะนําให้จับหนูมาอ๋อร้อยทวานใช่ทำไมเอาเข็มมาแล้วก็เอาได้ร้อยก้นหนูเนี่ย มันงุดหิดลำคาแล้วก็กัดกันอีกถูกต้องจ้ะเออหน้าอาจานย์ได้เก่งมากมันถ่ายไม่ออกมันก็งุดงวยเพราะงินไงไปหาทางระบายกัดไล่กัดกู้ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างนี้เหมือนกันงอมไม่เอาไม่เอาปล่อยมันเถอให้มัน อยู่กับครอบครัวมันมีความสุขอองั้นเดียวเราก็มีอย่างนี้สิ<อ>ไม่ไหวเนี่ย<อ>กรรมนี้แหละมาส่งผลทำให้ไม่มีมมรูตะวันอารมไส้ใหญ่สั้นมากเลยเอาชาติเดียวกันด้วยชาติเดียวกันคือในหลายครั้งนชาตินั้นชอบดื่มสุราแกล้มด้วยไส้หมูม<า>ที่สั่งข้า ภาพมันก็ปรากฏเกิดขึ้นสั่งค้าวาเนี่ยว่าเอาข้ามาเพื่อเอาเฉพาะใส่หมูทาแกล้มแล้วก็ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปจนมันเหนื่อยนี่ไม่ใช่อีกทั้งชอบแกล้งสัตว์ที่มันตกใจทรมานนี่หัวใจเต้นไม่เป็นปกติไล่ทุกตีรักคุยมันหนีด้วยความกลัวมาส่งผลให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็เป็นดาวซินโดมเพราสุรา อีกทั้งเวลาค้าขายพืชผลการเกษตรกร็มมักจะโกงเขาโดยเอาของไม่ดีปลอมปนบ้างโกงเงนที่ยืมเข้ามาบ้างมาส่งผลทีเป็นลูดขี้เมีย<อ>ถ้าโรคเลือดที่ไม่เราคงจําได้มาจากเรื่องเงินเรื่อ ง, งทอ ง, งนั่นนั้นที่มียุยงยืงนในบรรดาบานเพราะบุญที่เคยทํามากระหมูคณะมาส่งผลจ้ะถ้าสังสมบุนต้อบุญให้ม า, มาๆกๆกาจจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วแหะสาธุให้สังสมบุนต้องบุญเราทิศบุญนี้ไปให้พูดที่เราเคยไปบีบเป็นคำไว้บ่อยๆจ้ะ ลูกสามีสองเพศในคนคนเดียวกันเพราะกรรมการมีจ้ากรรมในอดีตอนเป็นผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายก็ตอนเป็นผู้ชายก็จะชูตอนมาเป็นผู้หญิงเพราะกรรมจะชูก็ยังไมาจะชู้อีกมากๆหลายหลายชาติมารวมกับกรรมตอนสัตว์มาส่งผลจ้ะกรรมจะชูทั้งตอนเป็นผู้ชายแล้วตอนเป็นผู้หญิงแล้วก็รวมทั้งตอนสัตว์ทําให้เป็นอุปโตปยัญญนก จริงๆแล้วอุปโตพยัญชนะกมีสองเพศก็ไม่จัดว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะแต่เรือนกายหยาบน้องมาทางผู้หญิงจะ้ะ<อ>ตัวลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรที่เลือกเพศหญิงให้ลูกสาวคนนี้นะเพราะเรือนหยาบเขาน้องมาทางเพศหญิงนะโ<อ>ดวยวิบากกรรมของเขาดังกล่าวจะ้ะ<อ>ตามทันไหมท่านครับจ้ะลูกสาวชอบมาวัดชอบพูดกรรมำใสๆพูดดีๆแต่คำดีๆเพราะ บุญกาที่เขได้สร้างมารรคหมูค่คนณะก็ตัวลูกเด็พระลูกสาวมาอยู่ในหมูก่กั ล, ลยาณมิตรบัณฑิตจึงมงีสิ่งแวดล้อมที่ดีทําให้ลูกสาวเปรียบไปในทางที่ดีจ้ะ<อ>เขาก็ขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในสิ่งที่เขพูดจ้ะลูกสาว บ, บอกว่าเห็นองค์พระในทองนั้นก็เห็นจริงจ้ะแต่เป็นแค่กุศลนิมิตชัดบ้างไม่ชัดบ้างโดยทําตามที่แม่กัลยาณมิตรแนะนำนะจ้ะ จะ แ, แค่นี้ก็ไปสบายแล้วเนี่ยในการทำบุญแต่ละครั้งลูกสาวก็รับรู้ได้บ้านตามสติปัญญาเขาจะลูกสาวก็จะได้บุญตามส่วนของความเข้าใจจะตัวลูกสามีลูกสาวเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาในอดีตแล้วได้เคยเงินลูกคนนี้ซึ่งในชาตินั้นเป็นผู้ชายยนะไปซื้อเหล้ามาดื่มและบางครั้งก็สนับสนุนที่ชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านอีบากกรรมนี่มาส่งผลที้ต้องมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกแล้วก็ต้องดูแลลูกสาวคนนี้จะ้ะ ทีนี้ทีนี้ชาตินี้ผลัดกันนะ่ยอ่าอืมอนคุณพ่อดื่มเนี่ยเออเลิกซะเถอะดูดูลูกอเอาไวนะ้เนี่ยนั่นแหละคือภาพในอนาคตคนั่นแหละนั่นแหละตัวโลกกตั้งสังสมบูรตั้งบุญตั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและสม่ำเสมอแล้ติดฐาน์จเจติบุญนี้ไปตัดปรารานิบากกรรมนั้งกล่าวให้หมดไป การเล่าเรื่องในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมทานจ้ะก็จะทําให้บุญนี้ไปตัดราวนิบ่าวการต่างๆให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็จะได้อยู่ในหมูขม่ขบัณฑิตนักปราชกเรมิดเป็นต้นจ้ะค<า>ุณผ้าป่วยเป็นโรคลมชักเพราะเป็นเศษกรรมที่เวลาดื่มเหล้าเมาแล้วชอบเตะหมาแมวที่อยู่ในบ้านจนมันชักดิ่งชักงอผสมพัรร <laughs> นี่เวลาเมาแล้วก็ เวลามาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยล่มชักเพราะฉะนั้นเนี่ยคล้ายดื่มเหล้าแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมเตรียมตัวให้ดีเป็นโรคสมองฝ่อเพราะก ร, รมดื่มสุราและโกหกไใงใดีนั่ส่งผลอย่เพราะว่าพอดื่มเหล้าก็เล่าเรื่องพอเล่าเรื่องก็เปลืองเหล้าและเรื่องที่เล่าก็เป็นเรื่องขี่หกตั้งเพ่ มารวมกันเลยนี่นี่นสมองฟอแต่แล้วก็ไปเป็นอากาศเสถาวรได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุที่ไปให้แล้วก็ทำใ้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแจท่านฟาอนุโมทนาขอบคุณที่ทําบุญอุทิศส่งไปให้ท่านท่านได้รับแล้วก็ทำให้ท่านมีความสุขเพิ่มขึ้นแจลูกเคยสร้างบารมีกับหมุ่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ สิ่งทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติกับไม่เจอกันชาตินี้มาเจอหมูขคณะชาติก็เพราะเวลาสร้างบุญกับหมู่คณะแล้วไม่ได้อธิษฐานจิตให้ไาเจอหมู่คณะตั้งแต่อย่างยาววัยจ้ะในตอนนี้ถ้าลูกยังไม่อาจทําหน้าที่กัณมิตรให้กับสามีได้ก็ให้ทําบุญละเอียดไปก่อนโดยเมื่อทําบุญทุกครั้งก็อธิษฐานขอให้บุญนี้ได้เป็นบรรดาลให้มีเหตุให้สามีคิดได้ที่จะเลิกดื่มแล้าสูบบุรีและก็มาวัดกับลูกให้ทําบ่อยๆ แต่วันหนึ่งก็จะสมหวังแย่ของสักวันพระอาจารย์พุทธันดาที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟางอยู่ครัพระอาจารย์สัจจานพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ๊ะพระอาจารย์อยู่หน้าจอพุทธันดาที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าลูก พระอาจารย์พระอาจารย์พุทธันดรที่ผ่านมาลืมไปแล้วหรือหรือทำเป็นลืมพระอาจารย์พุทธันดรที่ผ่านมา ลืมแล้วลืมจำไม่ได้ <laughs> ได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาเมื่อบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิต<า>มีผลการปฏิบัติธรรมกรถึงดวงสสายพอตัวรอดกลับดวงสิทธิ์บุรีได้นั่นคือพุทธนดนที่แล้ว ตอนนี้ลงมาจากดุสิบุรีเนี่ยพระอาจารย์บรจารจะเขียนว่าดี c อซอักษร น, นี่มันมีอยู่แค่สามตัวเนี่ยแต่คนสร้างตัว อ, อักษร น, นี้ขึ้นมาสิมันหลายคนล้วนแต่เอาหัวใจเนี่เป็นเดิมพันทีเดียวเพราะนั้นอดีตทางพระราชาองค์ที่บวชองค์ที่ออกบวชนี่ต้องเข้มแข็ง ดูดีมสีวันเหล่านี้อยู่ในตัวอักษรนี้นะดีมสีแต่ในชานี้ก็ต้องอดทนพแะครับาประคองตัวเองอย่าให้ใจตกให้นั่งธรรมะให้เยอะๆไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวโดยเฉพาะวันนี้สําคัญวันนี้สําคัญวันนี้ฟังแล้วก็ต้องไปนั่งสมาธิให้ดีไรห่างไกลจากสิ่งที่เป็นการศึกษาการกระสและพลมจันทร์ ที่งตั้งใจมันยังเด็ดเดียววาอ <My S 2> สองคำ <My soup. S 2> คืนนี้นั่งหลับตาทำภาวนาให้เห็นสองคำให้ชัดทีเดียว <c oughs> เห็นคำว่าสวยอยู่ในใจก็จะทำไปผังบวชหนาแ น, น่นและบวชได้ตลอดชีวิตเหมือนพุทธนดอนที่ผ่านมา <c oughs> ใจจะตกได้ทีเดียวคือตกศูนย์ <c oughs> ตกศูนย์นั่นนั้น อย่าไปทำลายผังเดิมที่ดีอยู่แล้วพระอิมินานก็จะหมดชาติแล้วใช่ไหมคำว่าหมดชาติหมายความว่าเวลาของกายมนุษย์จมันสั้นแล้วเป็นทหารนั่นคว่าราชาที่ออกบวรเนออกรบนะออกรบรบนี่ไม่จะไปสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับชิวๆคุณ ข, ข้าสึกครับคุณกรุณา ออกจากพื้นที่ดว่วนนะครับชูュชมันไม่ง่ายอย่างนั้เนเพราะนี้จะไปทำลายผังเดินที่ดีอยู่แล้วพออีกไม่นานก็จะหมดาตดแล้วคือนิหรับตาต้องเห็นสองคำคือวยให้เห็นสองคำและภาพดีๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งภาพดีๆนั้นมากรอเป็นดีเอซนั่นเลยเจช่ จะามหัวใจนี่นะที่ละทดละทัวจะแข็งยิ่งกว่าเพชรทั้งแข็งทั้งใสสว่างเจิดจ้าอยู่ภายในชาติ<ะ>ี่ไปเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตามติวีดีศิบรีวองมนวิเศษเขตบะงมพอยสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าทุ่มนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสติสันสนเจะ